เรื่องการบวชคืออะไรโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม่บริมิพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียดกล่าวขอ้อมวยพรสริสวัตรพิพัฒนมงคล ความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติยาโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่บุญสนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพาวันนี้ได้มาถึงแล้วอีกวันหนึ่งญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ตามบ้านนอกก็คงจะได้ยินเสียงกองแรงเสียงกองดึก ตีตั้งแต่เช้ามืดลงตัวหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงน้าอืพระนมเนน้อยประเพณีโบราณทางอีสานของเรายังตีคล้องตีกองตีระฆังกันเยอะที่ในวัดบ้านส่วนวัดป่าก็แล้วกันไปเป็นเครื่องเตือนบอกเตือนจิตสกิจใจว่าวันพระมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องทําจิตใจ ให้มีความเป็นโยกใกล้เคียงกับพระพระเข้าใจง่ายๆคนโบราณมักจะพูดบ่อยๆว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจะได้แพ้ภาษาอีสานเราแต่ว่าเก่งฮ <c oughs> ถ้าว่าบอแพ้แล้วก็แสดงว่ายอมแต่คาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอะไรคือแพ้อะไรคือชนะที่ยอมยอมได้เป็นพระ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 ถึงแม้กับจะต้องยอมนั่งฟังเทศทางสถานีวิทยุให้เวลามันผ่านไปแต่ฉันจะยอมเสียสิ่งนั้นจะจะทําความเข้าใจที่นี้ก็ยังจะเป็นพระไม่น้อยชีวิตก็จะไม่เป็นมันฮวนพระในเวียนมาบรรจุครบรอบเดือนหนึ่งสามสิบวันวันพระมีไม่เกินห้สี่วันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจัดให้มีการแสดงธรรม เดือนหนึ่งสี่ครั่งนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาตนาของพวกเราในสมัยยุคปัจจุบันแต่มีความสนใจจะฝ่ายฟั ง, ฟงแล้วก็ไม่อยากไม่เย็นไม่ต้องเสียเวลาเวลาไปวัดไปว่าเอาวิทยุมาตั้งไกลๆทำไรทำนาทการทำงานฟังไปด้วยก็ได้ง่ายสะดวกสบาย ฟังไปพิจารณาไปถ้ามันมีเหตุมีผลทนต่อการพิโสเกื้อกูมไป้วยประโยชน์เราก็เอาไปคิดไปพิลิปินนาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้วันพ่อวันนี้ก็อยากจะชัดชวนท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายให้กำลังถึงเรื่องราวของชีวิตและสังคมที่เราเป็นโยน์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมัยนี้ เป็นตน้นไม้ที่เราได้เกิดมาร่วมโรคร่วมชะตากรรมในศาตนาบ่ายคอยค่อนพุทธกาลไปแล้วสองพันห้าร้อยผ่านไปเดี๋ยวนี้มันค่อนนะพวกเรายังมีบุญนะได้เกิดมาเพราะพุทธศาตนาพ่อแม่ยังเลี้ยงลูกลูกเต่าบางคนยังเชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้านเมืองยังพอมีระเบียบวิ น, นัยไม่วุ่นวายเหมือนกับบ้านเออเมืองอื่นถึงจะทะเลาะเบาะแวงกันบ้างอะไรต่ออะไรกันบ้าง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 ชาตนี้เกิดมาตามไม่บอดหูหม่นูกยังมีไร่ยังมีนามีลูกมีล้านยังพอได้อยู่ได้กินมีบ้านมีเรือนไม่ควรจะน้อยอกน้อยใจว่าเป็นคนทุกข์ยากลำบากเลยหยิบสร้างคุณงามความดีเข้าเถิดวันพระมาถึงอย่างน้อยเงีหูลงฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตามก็จะเป็นการดีพอพูดเรื่องการทำบุญท่านตังตงางก็ตกใจอยู่เรื่อยว่าพระในขึ้นตนก็จะชวนทาบุญ ทำบุญคนนึกถึงการให้ทานเสียเงินเสียทองอย่าเพิ่งตกใจเลยบุญตั้งเสบอย่างทางนำมาซึ่งบุญที่พระพุทธเจ้าสอนมีการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องเสียเงินเสียทองนอกนั่นไม่ต้องเสียเลยทานสมัยบุญสุขเสรด้วยการบริจาคทานศีลสมัยบุญสุขเสรด้วยการารักษาศีลภาวนาสมัยบุญสุขเ็จด้วยการอบรมจิตใจของตอนเอง ให้สะอาดสว่างสงบอภิญญาไม้บุญสําเร็จโดยการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่แข็งกระด้างต่อเพื่อนต่อฟุ้งไม่ทําให้เขาเป็นทระสังจะเป็นบุญพยายมัจจะไม้บุญสําเร็จโดยการช่วยค้อนควายในกิจที่ชอบจิตอันจะเจริญงานเพื่อนฟุ้งมีการมีการมีอะไรพอจะช่วยก็ช่วยเขาเวลาเราเขาก็มาช่วยเรานี่เป็นบุญ ปติทานาไมาบุญเสร็จด้วยการให้ส่วนบุญสร้างคุณงามความดีอะไรแผลส่วนบุญส่วนกูชนมีคุณงามความดีอะไรช่วยแนะนำคนหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยปัตตานุโมทนาไม้บุญเสร็จด้วยการอนุโมทนายินดีด้วยกับคนอื่นสร้างคุณงามความดีไม่เป็นผู้มีอิจฉาตาล้อนจิตใจเราก็เหยียดเจนธรรมสวัสไมาบุญเสร็จด้วยการฟังธรรมย่างในขณะนี้กําลังเปิดปฐโยฟังมันก็จะได้บุญจิตใจสบายในขณะฟัง ต่อไปก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะเอาไปคิดไปประพฤติปฏิบัติเป็นบุญทําให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตทำมาเทศนาไมา่บุญเสิริโดยการสแสดงทำเหมือนผู้ดีกําลังเทศกําลังทําความเข้าใจแจมแจ้งให้คนอื่นได้เข้าใจโอยผูกคอจารในสิ่งที่เป็นสิ้นเป็นธรรมสุดท้ายที่ถุชุ ก, กรรมกลางกระทำความเบ้นให้ตรงมีความเบ้นให้ถูกให้ต้องรู้จักบาปบุญคุณทั่วประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักดีจักช่วยจัก้างจะหัวจักช่วยจากดีอย่างนี้ เรียกว่าที่ตุชู่ว ก, กรมทำความเพนให้ถูกต้องนี่เป็นบุญสิบอันในจำนวนสิบอันมีอันเดียวที่จะต้องเสียเงินเสียทองที่จะต้องเสียสละนั่นก็คือทานหน้าใหม่ส่วนอีกเก้าไม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะนั้นวันพระมาถึงนี่จะเอาสักไม่ก็ดีเอาทําสวรรค์ไมา่อย่างวันนี้กาลังฟังทำอยู่ก็เป็นบุญก็ให้เ้าใจอย่างนั้น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 แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกวา่ากันกับผู้มีชีวิตอยู่ร้อยปีนั่นเห็นไหมคนณค่าของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่สร้างตนเองให้มันเกิดประโยชน์แก่นตนเองในบางคำพ้องก็บอกว่าโยจะวัตตังชีเวกูสีโตหินวิริโยเอกาห่างชีวิตตังเซโยวิริยังอาระะอาปโตหงัง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 กุส ok. ีโตฮีนะวิร <h> ิโยกุสีโตนี่ขี้เกียจขี้เกียจฮีนะต่ําวิริโยความเพียรต่ำซ้ำขี้เกียจยโยจวัตตังชีเวมีชีวิตอยู่ร้อยปีกุสีโตฮินาวิริโยเป็นผู้มีความเพียรซ้ำมิผู้มีความขี้เกียจเอกหังชีวิตตังเสยโยมีชีวิตอยวันเดียวดีกว่าเวรยังอาราปโตทันห่งเมื่อ ปารกความเพีเยนเป็นผู้มีความพเพียนประเสริฐกว่าบางท่านทัาก็บอกวา่าโยจะวัตตังชีเวอปอัสเสธธรรมมุตตมังเอกาหัางสีิตังเชอเสยโยปัะสะโตรธรรมมุตตมังมีชีวิตจูรอยปีแต่ไม่ปรากฏเห็นธรรมคือความจริงของธรรมชาติ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 เพหตุนั้นชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราจะรีบสร้างแต่คุณงามความดีให้มันทันการเราไม่เป็นผู้ประมาทเพราะาอายุสังขารจะพอยประมาไทไปกับมนุษย์ทั้งหลายนั่นหาไม่ในเฮวติทั้นาสีนังณัสยานังนปตคุ้งอายุสังขารจะพอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนเดินนัง่งนอนอยู่ก็หามิได้นี่ มนุษย์ทางหลายเนี่ยอาจจะมีความประมาทยืนก็ประมาทเดินประมาทนั่งประมาทนอนประมาทไม่คว้านควายทําสิ่งที่ควรทําอยู่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปวันพระมารีก็ไม่เคยคิดวันโกนไม่ละวันพระไม่เวน้นวัดไม่เข้าพระเจา้าไม่นบไม่เคยเหูฟังสระพเสียงสำเนียงที่เตือนบอกของพระทรงองค์เจ้าอย่างนี้ปล่อยเวลาผ่านไปแต่ในเวลาที่มันผ่านไปนั้นให้เข้าใจเถอะว่าอายุสังขารของเรามันไม่ได้ประมาท กับเราไปด้วยเหมือแก่ไปคือเราไปอายุสังขารของเราเป็นไปตามลักษณะไตรลักษณ์ในจังรูขังอนัตตามีความไม่เทีย่ยมมีความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และมีความเป็นอนัตตามาอยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดมยไม่ยั้งเมื่ออายุสังขารเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตกอยู่ในคติธรรมดาอย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนิ่งเฉยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัดสมาอิทัชีวิ ต, ตเสสเสพหกเหตุนั้นแหละชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้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 เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการบวชบางแห่งบวชค่างัวค่าควายไปค่ามู๊สามตัวค่าควายตัวหนึ่งอย่างนี้หมดเงินเป็นหมื่นก็โง่ไปเป็นมืน่น <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอเพิ่ถึงเรื่องในการบวชสัหน่อยก็ให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยฟังกันใครคิดจะบวชรูปบวชล้านบวชนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งไม่เป็นการบวชการบวชนั้นมีเพียงผ้า อืตรจีวอนมีบาทเท่า น, นี้ก็เห็นจะพอแล้วอุปชาท่านก็ถามเพียงเท่า น, นี้เรื่องบริหารไม่ได้ถามว่ามีกองเข็มมาไหมมีทำมากกมาไหมมีอะไรต่ออะไรท่านก็ถามแต่ตัตจีวราถามหาบาทหาจีวอนท่านก็ไม่ได้ถามว่าเวลาบวชเมื่อคืนนี้ข่าควายมาสามตัวหรื อ, อยังมีหนังมาครบเงินในการบวชไหม ถ้าไม่ได้ถามภาบยนต์ซิได้ภาบยน์มาใช้ให้คนดูรือยังหมอลำที่ไม่ได้ถามดอกเพราะฉะนั้นมาตั้งใจกันใหม่ทําความเข้าใจบวชคืออะไรทําไมจึงต้องบวชและจะบวชเพื่ออะไรบวชโดยวิธีใดเอากันง่ายๆข้ตอนบวชคืออะไรบวชมาจากคําว่าปะวะชะหรือว่าปับพัดชังบาลีว่าปับพัดชัง พัชชาเรียกว่าเว้นออกไปออกไปหรือว่าเว้นทั่วหรือว่าออกไปซีอืออกไปจากสภาพความเป็นอยู่อย่างในบ้านผู้บวชเรียกว่าบรรพชิตโตบรรพชิตผู้ที่ออกไปแล้วออกไปจากครอบจากครัแล้วทําไมจึงต้องออกไปนี่มันมีปัญหาจึงมีคําถามซ้อนขึ้นมาว่าทําไมจึงต้องบวช ทำความก็จะง่ายว่าบุคคลที่บวชนั้นคือผู้ที่เว้นการเป็นอยู่แบบชาวบ้านเป็นผู้ออกไปจากครอบจากครัวอย่างที่เราได้ยินพระท่านสัวรำวัดเพราเราเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาอาคนะัตมะนาอนาคารีย์อยางปปะจิตตังเราเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแลออกทิศคูนังศิขาสาชีวาสมาปั น, นัง ถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิกโลทั้งหลายทั้งหลายคนจะได้ยินคํานี้บ่อยๆเวลาบวชทั้งกรพาสวดเช้าทุกวันและตรงนี้ศสตาคารสมาณะคดียังปภัชิตังเราเป็นผู้ออกแล้วจากเรือนปภัชิตังหรือว่าบัมภชาหรือว่าบวชออกแล้วจากเรือนเว้นแล้วอย่างการกระทําอย่างชาวบ้านเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่อง เฉอฟังให้ดีนี่คือการบวชนะควเข้าใจง่ายๆจะก่อนวิถีชีวิตของนักบวชนั่นเป็นชีวิตที่ยาวนานนักบวชในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มีนักบวชนักบวชเต็มไปหมดแล้วมีพวกเดียลทีปริพาชกอาเจรคนิคนพวกทะดินอ้อมีหลายยี่ห้อก่อนที่จะมาเป็น ชะดินเป็นนิคนเป็นเดรธีปริภาชกเป็นอาเจรกกัญญะเดรธีต่างๆนี่ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่นูน้นย้อนหลังพระพุทธเจ้าเกิดไปหลายพันปีหลายเป็นหมื่นปีท่านลองไปเปิดพระไตรปีดอกอักคันยสสธีขณิกายปฏิกวักเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่หกสิบสองหน้าที่แปดสิบสามเป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพบวิีชีวิตของนักบวชคนแรก ในตอนนี้พระไตรปิฎกปรากฏตามหลักฐานตรงนี้บ่งบอกนะว่ามนุษย์ได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณนะแต่ก่อนนันมาจากอาพัสระบพมเมื่อมีความกำนัดขึ้นกวารู้จักความเป็นผู้หญิงผู้ชายสมสูญโยหางกันตัวก็หยาบกระด้างเหงื่นเฮืออากาศไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนจากคนโยบายโยงก็มาเป็นคนบ้านวิวัฒนาการเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองหลังจากนั้นก็เกิดธรรมะอัลลาโมก ืลรามัมากทำมังเกิดทาอัลลาบอกขึ้นมารู้จักรักของกันรู้จักโกหกกันรู้จักตกตีกันรู้จักล่วงประเวณีผัวเมียซึ่งกันแลงกันรู้จักโกหกกันแล้วก็รู้จั ก, ก, กลกกืมเครื่องดองของเมาหลังจากนั้นปัญหาก็บุ่นวายไปหมดมนุษย์ก็เลยเลือกหัวหน้าขึ้นมาหัวหน้าคนนี้ก็เลยมาปกครองก็เลยตั้ง ตั้งกฎหมายขึ้นห้าข้อปานาติปาตาเวลมณีาธินนาธานาการเมสุมิชฌ า, าลาโมศาวาธาสุราเมเรยมชพมาศิลห้านั้นแหละเกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นปีแล้วอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งแล้วก็มายึดศิลห้าจนมีเรื่องมีเล่าทะเลาะกันอยู่ทุกวันเรื่องกินเกรหรือไม่เกพอไปยึดเอาศิลห้าเขตั้งมาก่อน พ, พุทธเจ้าก็เลยมาแก้ปัญหาสังคม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 ต่อมาทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรเหล่านี้เกิดอาการก็สมัยหมาว่าเซ็งไปไม่พอใจเป็นกษัตริย์ก็มีเพียงแค่นี้เป็นพราหมณ์แค่นี้เป็นแพทย์แค่นี้เป็นสูตรแค่นี้แม้จะมีทรัพย์สมบัติล้นแผนดินเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิคนเดียวปกครองทั้งโลกทั้งแผ่นดินในที่สุดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็แก่แล้วก็เท่าแล้วก็ตายเป็นเหมือนคนอื่นมีความขัดเคืองใจเหมือนคนอื่นมีความดีใจมีความ ชอบใจไม่ชอบใจเกิดทุกพอๆกันกับทุกๆคนอะไรที่มันดีกว่าความเป็นปาษัตว์ส่วนพวกความเป็นพวกรุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณเป็นเจ้าพิธีคําต่างๆก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพัดภากจากกันเหมือนกันโหยให้ได้ดังใจไม่ได้ดังใจปารธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพามก็เป็นทุกเหมือนกันกับกษัตริ์พวกแพ่พวกสูตรเหมือนกันกษัตริย์ทุกแบบกษัตริย์แพร่ทุกแบบแพทย์ทามทุกแบบทามสูตรทุกแบบสูตรเข้ากันเลย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 ไปค้นหาอะไรเนอที่มันดีที่สุดกว่านี้ไปสแสวงหาในป่าไม่สนใจเรื่องการทํามาหากินกินเพือกกินมันกินผลไม้ตามแล้ดูการผมเผ่าไม่ตัดเล็บไม่ตัดนั่งคิดนั่งพิจรารณาอะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่ า, วาที่เป็นอยู่นี่หลายวันหลายเดือนหลายปีขาสาภาพแวดล้อมสาภาพเป็นอยู่มันเ อ, อื้ออํานวยให้มีแต่ป่าเขาลําเนาภายัยอาหารก็ไม่ได้กระตุ้นซิลมีเลตอะไร ตาไม่ได้เห็นรูที่ชวนให้เกิดกำนัทูไม่ได้ฟังเสียงที่ชวนให้คัดเคลื่อนกำหนับจมูจกกับกลินลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์มันอยู่ในแวดล้อมธรรมชาติในป่าในเขาวันหนึ่งจิตใจก็เลยสงบพิบลงไปลียงไปลียงไปก็สงบกลายเป็นฌานเอกขัดขังละมันังจิตตัง้งจิตไปสูอารมณ์เดียว คนคนนี้ก็เลยร้องอ๋อขึ้นมาบอกอ๋อธรรมโมหิอิสินังทัตโชนี่เองธรรมะอันนี้เองเป็นทงชัยของผู้แสวงหาบุคคลคนนี้และคือนักบวชคนแรกภาษาบาลีว่าอิสิภาษาสันสกิตว่าลือสีภาษาไทยไม่แปลเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าลือสีโสลือสีโหนดยาว ความตึง อ, อิสิเป็นภาษาบาลีฤรือสีเป็นภาษาสันสกิตแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาผู้แสวงหาคนนี้ได้พบจิตสงบลงไปเป็นฌานเป็นสมาบัติก็เลยพอใจวิถีชีวิตอย่างนี้ในที่ดจิตที่มันสงบมากมันก็เลยมีฤทธิ์มีเดชเ ม, มื่อจิตขาดเคลื่อนออกจากสมาธิมันก็เป็นทุกข์ทำไมไม่เหมือนเก่าก็เลยหาดินหาน้ำหาไฟหาลมมา มาเป็นหลักผูกใจเพ่งลงไปเป็นระบบกับสินในขณะที่เพ่งให้จิตอยู่ในสภาพสงบอย่างเต่านี้อาศัยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชื่อของฤาษีก็เปลี่ยนมาเป็นดาบอืมเปลี่ยนมาเป็นโยคีโยค่าผู้ผูกผู้ผูกจิตเมื่อจิตผูกอยู่กับที่แล้วก็แพดเผา ความร้ อ, รอนอทางจิตให้มันกลายเป็นความเย็นทางกายทางจิตก็เลยกลายเป็นตะปะโซเป็นดาบทผู้เพ่งแผดเผาหลังจากนั้นเมื่อมจิตมีกําลังมากก็เลยกลายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเขาก็เรียกว่าสิทธาผู้สําเร็จหลังจากนั้นก็เป็นโมนีผู้รู้สแสดงฤทธิ์แสดงเดชเข้าไปในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าชายนุ่มทั้งหลายผู้ปารถนาความเด่นดังปรารถนาอํานาจราชศัก์ อสิตอิจิพน อ, อำนาจโอกาสวาตานากันใหญ่เป็นตัวในแว่นแควนเกาะซืบแสวงหาลือซิโยคีสิทธาดาบทเหล่านี้ในป่านในเขาก็เลยไปเรียนมนกับพ่อพลูซีกลายเป็นมหามิตรทยาลัยของคนหนุ่มแต่ไมนั่นนั่นแหละคือการบวชคือการบวชคือการออกจากบ้านจากช่องจาโรกจาพัวจา ก, กามเมีย ไ, ไปสแสวงหาสิ่งนี้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 เป็นคารวาะมันคนละแบบกันมันมันมั น, ม, นมันพาลุงพนลังเหมือนเดินทางที่จะต้องหาบต้องคอรไลยสิ่งรลา ย, ยามมันก็เลยไปชา้าที่นี่เมื่อเลื่อนมาจนถึงสมัยพุทธเจ้าการบวชก็ยิ่งต้องการเดินทางลัดขึ้นไปกว่านั้นอีกวิวัฒนาการของการบวชมุ่งไปที่การดับทุกทางใจ คือความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านออกบวชท่านต้องการที่จะดับทุกข์ท่านได้เล่าให้โพธิราชกุมารฟังหรือว่าพารัทธวาชะพามฟังว่าดูกรราชกุมารเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตัดสู้เราจะเป็นโพธิสัตย์โยความคิดดังนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดผ่า เป็นธรรมดาแต่เราก็ยังมัวลุ่มหลงสแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัฒภาคเป็นธรรมดาเอามาเป็นของเราถ้าเช่นไอเสียเราพึงแสวงหานิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่กระแสแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุ ม, มารหึงคารวะเป็นหนทางอันแคบ เป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายยากที่จะพฤชพมจันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วท้าชันไหนซีเราพึงออกบวชเพราะการบรรพชาเป็นห้นทางโปง่งเหมาะแก่การประพฤพมจันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำที่สุดแห่งทุกได้ ในสมัยนั้นในสมัยอื่นอีกเรายังหนุ่มเที่ยวยังเจริญด้วยไว้แห่งปฐ ม, ม ว, วัยเราได้ปองผมโกนนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสีย้ย ท, ทั้งทั้งดีนน้ำตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาคำกล่าวนี้อาจจะไม่ตรงในประวัติปีดกมากนะัก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 รับกันอยู่สี่ครั้งห้าครั้งพอเป็นพิธีเข้าไปป่าช้ารับอีกแล้วขึ้นมาบ้านจะสวดประริธมงค์นรับอีกแล้วพอจะเทศให้ฟังก็ฟังพอเป็นพิธีเคาะแต่งานสอเคาะลงให้คนตายฟังคนเป็นเป็เล่นให้โลเล่นเสือกินหมูกินเหล้าเสียงข้างนอกดังกว่าเสียงพระขณะพระถือไมครถือไมโครโฟนพูดอย่างสู้เสียงพวกขีข้เหล้าอยู่ภายนอกไม่ได้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 เวลาบุญพรเวสสันดรบุญกระถินก็ฟังหมอลำพอเป็นพิธีจ้างมาให้เขาลำให้ฟังสักสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ได้เอ้าพอเป็นพิธีจ้างหนังมาสักสองร้อยฉายชั่วโมงหนึ่งพอเป็นพิธีให้มันแล้วไปบุญทเวสสันดนเอาพอเป็นพิธีนี่ไม่เอาดูหนังกันยันสว่างฟังหมอลำกันยันสว่างจ้างมาหมื่นสองจ้างมาแปดพันจ้างมาสี่พันหนังข่าควายกินพอเป็นพิธีอีกสิบตัว กินเล่าพอเป็นพิธีอีกหมดเป็นสิบยี่สิบเทเชฟ้ายไวายว่อกันไปหมดทําไมไม่เอาเพอเป็นพิธีสิ่งเหล่านั้นความดีความงามกลับมองกันเล่นๆพอเป็นพิธีอันนี้ก็เหมือนกันพอจะบวชก็บวชพอเป็นพิธีพอเป็นประเพณีพอได้เป็นญาติกับเพื่อนกาสนาว่าเข้าไปตรงนั้นเธอก็น่าเป็นห่วงพวกเราไม่เอากันจริงอะไรที่การบวชนั้นบอกแล้วว่า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 การออกบวชเป็นวิถีชีวิตที่ออกแบบดีไซน์ออกมาเพื่อจะค้นหาหนทางที่ดีที่งามเพื่อเดินทางทางจิตใจให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงปลดปล่อยพันธนาการตนเองทุกอย่างจากสังคมเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมเกินกับธรรมชาติเอามีชีวิตที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาก ชี้สละให้แก่สังคมมากเอาจากสังคมแต่นน้อยปลดปล่อยพันธนาการตนเองจากสังคมหรือว่าสังคมจะมีค่านิยมขนาดไหนก็ตามเราไม่เอาเราปลดปล่อยตอนเองเป็นผู้อยู่น้อยกินน้อยมืกน้อยสัน ด, ดศึกษาค้นคว้าทางจิตใจทางวิญญาณลองดูการบวชจึงไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นอย่าก็จะว่าขี้ข้านะไปบวช้าอย่าว่าช่างนั้นเริ่มตั้งแต่การกิน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 ที่ว่าชาวบ้านอีวันวันหนึ่งก็ไม่ได้จุดจุดเฉยเยไม่ได้นอนกลงวันกันแหละก็อย่างนี้ชาวบ้านอยากเวลาได้กินนอนหลับๆตื่นมายังตึงนนั่งรถโดยสารรถทัวร์ไปถึงโคราชตั้งตีสองตีสามท่านผู้โดยสารโตทราบทัวบริการของเรา นำได้มาถึงนคะรราชสีมาแล้วนาคารถจอดพักทานอาหารยี่สิบนาทีข้ารีบลุกพวกรเวไปกินอีกตีสองตีสามนอนเอาแรงจะไปทำงานพรุ่งนี้ไม่เอานั่นชาวบ้านก็านาาพามันผิดตานพระท่านฉันวันละครั้งเดียวยังเก่งอีสองครั้งชาาเพนส่วนที่อยู่อาศัยชาวบ้านมีตึกราบบ้านช่องสร้างเรือนช่างสร้างชานใหญ่โตวสวนนักบวช จริงๆอยู่กับท่อมหลังเล็กๆพอกันแดดกันฝนสีจสะปฏิฆาตายะบำบัดความหนาวอุณหสสะปฏิฆาตายะบำบัดความร้อน ด, ดังสมมาเกสวตาเตปักสิรินเตปะสัมภัสานังปฏิฆาตายะป้องกันสัมผัสเกิดจากเหลือบยุงลิ้นไหลสัตว์เลื่อยคานทั้งหลายยาวเทวาอุตุปริสัยาวิโนธนังปฏิสลานล า, ามังังเพื่อลีกเล่น เพื่อทำความเพียรในฤดูการฝนฟ้าตกมาพ่อมงแดนมงฝนก็อยู่ได้แล้วนั่นเรื่องที่อยู่อาศัยหมดปัญหาถ้าไม่มีจริงก็โคลนไม้มีกฎอันนึงเฮือนน้อยกลางขึ้นก็อยู่ได้ชีวิตวิถีชีวิตแตบวชจริงๆเจ๋งไม่สร้างสรรแต่นักบวชจะไมนี้พู่นและก็กระทบกระเทือนกันสร้างวังกันเลยใหญ่โตมือกับะแข่งเทวดาบนขวัญพระพุทธเจ้าออกบวชจาก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 ยังพิกเวสทาราสาวากานังิเตศนาโนกัมปิกเคนะนกัมปังอุปทายกาตัางโบตังมาญาดูก่อนพิสุตังหลายกิจอันใดอันพรสาตดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นแต่กระทาแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราทําแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตาณิพิกเวลุคามูลานิอรัญญานิสุญญคะลานิชาจะธรรมะปมาสธรรม า, รมาปจชาบิปติสารโนอนุวัฒน์ พิสุททั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทําความเพียรเผากิเลสเธอจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมห่างังอนุศาสนี้นี่แหลเป็นวาจาเครื่องคำสอนของเราจึงมีต่อเธอทั้งหลายไปเปิดเบิงในปไติปิยกแลหลายขนาดค่วมเบาเนวนี้ี่โอ้เฮ้เฮ่าจักว่าเาาาพื่อนอยู่กันง่ายๆไม่ได้บอกว่าพิสุททั้งหลายจงไปสร้างวัดสร้างวายใหญ่ๆโตๆกุตติ ปูโมเสถินอ่อนสงแฝดสงไทยติดแอร์ปะประกาศใหญ่ๆแล้วหารถคันดีๆขีเด้อไปหาจนตายก็ไม่พบแต่พวกเราก็หลงวันนั้นคือบารมีอ้าวก็ไม่ว่าอะไรกันดอกผ่านไปสาธุอนุโมทนาขอเล่าฟังก่อนว่าชีวิตนักบวชนั่นการกินก็อาศัยชาวบ้านมือมือหนึ่งตามมีตามเกิด เทพพุทธเจ้่จาบอกว่าชีวิตเราหนึ่งอยู่กับชาวบ้านต้องทําตัวเขาเลี้ยงง่ายเขากินเจกากินเจ ก, กับเขาเขากินปลาแดกกับ ก, กินปลาแดกกับเขาไม่ใช่ว่าเขากิน ป, ปะละาแดกปลาล่าบ้านนอกจะไปเรียกร้องหาเต้าเจี่ยวเขาจะไปเรียกร้องหาโปรตีนเกษตรเอามาลาบมาค่อยแซ่แบเเหมือนพวกอืมเขาเป็นกันอยู่ทุกวันจนเคร่งกันจนขั่งอยู่ทุกวันทะเลาะ ก, กันอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนา ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดแต่ชาวบ้านเขาจะสร้างให้ใ ห, ใหญ่โตเราไม่ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไปหาแผลตรงโน้นตรงนี้มีเดรรี่ลายกันทั้งปีทั้งชาเพื่อจะมาสร้างกันใหญ่ใหญ่โตโตไม่ใช่ส่วนหลังจากนั้นก็เครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งหน่หมเขาจะมีทรงเดฟทรงมอนฮารารีวายชุดไม่แฟชั่นจากปาลิลอนดอนลากซี หลายทรงเราไม่มีพระทรงเจ้านุ่งห่ม้าคกลางสามภพมีจีวรมีส บ, บงมีสังคาติสามพื้นเรื่องพระไตรจีวรถ้ามีเกนินนี้เก็บไว้เกินสิบวันต้องอาบัติมิสกิปากิตติจึงมีทรงเดียวนี่ผมก็ต้องตัดทรงเดียวโกนมันเลยไม่มีทรงอื่นอี้มันง่ายขึ้นส่วนยารักษาโรค ก, ก็ไม่ต้องย่านตาย ม้เขาว่านักบวชพอบวชปั๊บอุปชาก็บอกแล้วเรียกว่าอนุสาปเนะี่ยเรื่องอาหารคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะไปขอเขากินบินทบาทบินทบาทไปขอกินอุ้มไปมีอะไรตกลงมาข้าวตกออกมาก็อมาอมากินไม่ต้องห่วงเรื่องกินบินทบาทไปขอทานกินตามมีจำกันเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงนะโน่นโคนไม้นโน่นป่าไม้นโน่นเรือนว่างกระท่อมกระเทิอทอ่อยู่ได้ ส่วนเรื่องเครื่องนุงหอมไม่ต้องกลัวผ่าจีบอลตามพืนไม่มีก็ไปหาเก็บที่เขาทิ้งตามอยากเยื่อ น, นั่นเอามาต้มเอามาซักดีๆแล้วมายอม่อมาตัดนุ่งหอมได้ส่วนเรื่องยาไม่ต้องกลัวตายถ้ามันจะตายพวกสัตว์สาวาสิ่งนกหนูปูปีกมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันมันไม่มีโรงพายาบาลมันไม่มีหมอ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 ดองมันต้มกินเลยก็ยังได้เป็นยาเป็นยาระบายเป็นยาโอ้ยสาราพัด ส, สาราพัดอยา่างนี่ไม้เขาว่าปัจจัยสี่สำหรับพระนั้นตั้งแต่การกินที่อยู่อาศัยเครื่องนลงหอมย า, ารักษาโรคมอดปัญหาตามมีตามได้นี่มันผิดกันเต็มบวกชาวบ้านต้องสร้างบ้านตางช่องหลังใหญ่ๆที่อยู่อยู่อาศัยเครื่องนลงหอมหลายสีหลายทรงต่องหามายาก็เหมือนกันมันผิดกัน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 มันจะโง่เป็นหมื่นโง่เป็นแสนข่างัวข่างควายข้อภัยอาตมานี่ออกไปบวชซื้อบาทมาอันหนึ่งกีบอนมาชุดหนึ่งไปเองเลยเพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ไปฝากตนเองกับอุปชากับผมจะบวชอยู่อุปชาเรียกเขาไปถามดูสวดอะไรได้หรือยังได้มดแล้วท่องไว้หมดแล้วทว่วทานให้ทองให้ดูก็ทองให้ได้หมดทางกระ บ, บอกบวชได้เจ็ดวันก็บวชแล้วโกนผมท่านกําังกำลังจะลงอุโบสถก็เดินอุ้มบาตทองทอง เดินรอบโบสถ์สักคนเดียวได้รอบครึ่งพวกเมชีเขาเห็นบอกโอ้หน้โทนหน้ากำพ่าไม่มีใครเมชีสามคนมาขอเดินรอบบสเรียกว่ามาแหนาสามคนแหรอบครึ่งพอเราเดินแล้วรอบครึ่งก็เข้าไปบวชอะไรอะไรก็ท่องมาหมดแล้วในสุดจนป่านนี้ก็ยังมีความสุขในสมณธรรมไม่มีความรู้สึกคิดจะเสกออกไป แต่พวกเราเนี่เสียเงินกันเป็นหมื่นบวชกันมีนังมีหมอลำมาพบมางานขางัวขา้าควายกินบางทีสิบห้าวันเซิกแล้วสามเดือนเสริกแล้วยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโง่อไปฟรีๆเสียเงินไปฟีๆนั่นเป็นอย่างนั้นเพรื่องการบวชจริงๆถ้าไปดูร่องรอยในประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกเขาบวชนั่นเขาเอื้อมละอาชีวิตอย่างครอบครัวจริงๆแล้วเขาจึงออกไปเพื่อจะทําที่สุด แห่งความทุกนั่นเองบางคนเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ไม่ให้บวชนอนกิ่งกลางดินอย่างรัฐบาลทํำไมได้บวตตายดีกว่าพราะได้ฟังเทศเกิดความประทับใจอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นพ่อแม่ขัดไม่ได้ต้องให้ไปบวตลูกชายโทนคนเดียวบวชแล้วก็ไม่ซึ้งเลยเป็นพ่อละฮั้นไปเลยพูดถึงตรงนี้นึกถึงฝรั่งนี่มาขอบวตกข้ามาแต่มาอ้อค่อยนอนขัดอยากจะบวตบอกบวตไม่ได้พ่อแม่ยังไม่อนุญาตอยู่มาสิบกวา่าวันพ่อมาตามโอ้พ่อเป็นเศรษฐี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 แต่บางคนพูดก็พูดเอตาบอดแล้วยังไปหาเอากันเป็นพวเป็นเมียสองบอดดับเบิลบอดเมียกับอบอดพวสกับบอดหวังว่าจะได้ลูกมาตาดีจะได้จูงพ่อจูงเมยียเออมันก็ดีไปเว้นกันอีกแต่แดงว่าเขาเก่งกว่าเราพูดถึงตรงนี้เลยตันห้าคนมันไม่ปานีอย่างว่าเอา้าไม่เหมือนกันที่การบวชเนี่ยในสมัยโบราณเขาบวชเพื่อจะออกจากทุกข์แต่ในสมัยนี้บวชเพื่ออะไรมันต้องมาแยกกันหน่อยแยกหน่อย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 อุปมูลิกาบวชลุ่มหลงลุ่มหลงว่าบวชแล้วคนจะได้กราบได้ไหวบวเราเป็นเพศที่สู ง, สงทรงธงชัยของพระอรหันต์พูดอะไรคนเชื่อไปในคนกราบคนไหวอยากอไอะไรก็แพ้ เ, เลยบวชแล้วเขาก็ให้ดอกบ่มีเงินค่ารถก็แพ้นะเน่ขาก็จะได้ให้บ่มีเงินซื้อเลขก็แพ้นะเนี่ขาจะได้ให้นี่เรียกว่าอุปมูกาบวมาลุ่มหลงต่อมาุปปัตุสกา บวชมาแล้วประทุสร้ายทำลายศัพทนาโดยไม่รู้สึกตัวดังเราจะเห็นกันดนนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นี่วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเทอด น, นักบวชอุปถูสกาบวชมาประทุษสลายทำลายศัพทนาทำลายสังคมให้วุ่นวายไปหมดต่อมาสุดท้ายอุปนิสสา ร, า น, าสารานิกาอุปนิสารณิกาสารณิกาอุปนิสารณา บวชเพื่อออกจากกองทุกเพื่อดับทกุกบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่ออันนี้เอาละเป็นอันว่าบวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตบางคนทํามาหากินไม่มีทางจะไปแล้วแกเท่าหากินยากลําบากลูกหลานก็ด่าก็ว่าหันหน้าเข้าวัดบวชมาได้ยังเอาไปฝากแต่หลวงแต่ลานแล้วบ้านในที่ที่เพียงพออยากได้ได้เงินฝากหลวงฝากลานอยู่กันเนี้ย นอนกลงคืนโบเห็นยังภาวนาอยากจะให้ฟันเห็นต่เลขอย่างนี้เรียกว่าบวชมาเลี้ยงชีวิตบางคนทํามาค้า้ายขาดทุนขารลอนไปที่ไหนก็พ่ายแพ้ผิดหวังบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วก็ไม่ได้ประพฤติทาอะไรพออยู่พอกินไป ว, วันอีกหน่อยก็เอาแล้เสร็จที่นี่หาเรื่องหาราวศึกษาตาราพรรมาชาติเป็นหมอดูดีกว่าพระดูแลเขาเชื่อได้เงินได้ทองแต่งแก่เสียเคบูชาสี เรียกเทวดามาสูนันตูพนตุยเทวาประมะอินทาพรมาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังกันผึ่งคันเดินเจ้าโสเจ้าสตาเม่พระสวดมันทำท่าคือเขาหลั่งไหลไปเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาปีละสิบบาทอายุสิบปีต้องเสียเคราะห์สะเดาะน้ำร้อยบาทแต่อายุห้าสิบปีก็ฟ้ากันไปห้าร้อยแล้วก็เรียนมน์ที่ท่านสอนนั่นแหะมีแต่ถ้อยคําดีๆแต่ไม่รู้จักคําแปล ท่องมันจนหมดในเจตจำนน น, นกัมาสวดรถน้ำสร้อยกับได้เงินเยอะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อไรซื้อนาอย่างนี้ก็มีเราให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าอุ ป, ปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตใน ม, มีอะไรแท้กก็ตาของแห่ขายได้แบ น, นี้เนาะพูดแล้วก็าทัไปเาีจะให้เป็นบาเป็นกรรมนะพูดความจริงอยากเดยได้รู้ต่อมาก็อุ ป, ปีิาบวชมาสนุกสนานเพื่อนเขาชวนบวชก็เลยบวชเล่นๆ ห, นหัวแต่บางทีบวชไปเป็นดีก็มี บางคนบวชสนุกตามเพื่อนนี่แหละโปกิลิกาบวชไปแล้วมันไม่สนุกศึกษาทำวินัยเกิดสนุกอีแบบใหม่ตั้งใจปาพืชปฏิบัติไม่อยากสึกไปเลยบวชสมัครเล่นเรียว่าบวชสมัครเล่นบางทีไปเจอครูบาอาจารย์ท่านแนะนำคซสอนในทางที่ดีไปเจอโมูเจอคณะแวดล้อมเป็นกันระยานามิตรปะพติแต่จเจริญสมาธิภาวนาเออเราก็เลยมาพบเพื่อนอย่างนี้อยู่ในวัดในวาที่ไม่มี สีเสียงเครื่องย่วดยอมมองมาจิตใจจิตใจก็เลยคอยซึมซาบลงไปสู่ศีลสู่ธรรมอาไปอามาเกิดความสุขแบบใหม่ไม่อยากศึกออกไปพ่อแม่ก็เลยดี อ, อกดีใจด้วยพวกนักบวชสมัครเล่น น, นี่ที่ที่ที่วัดของเรามามีแต่คนหนุ่มหนุ่มส่วนมากกันนักบวชสมัครเล่นพ่อแม่บางทีก็บังคับไปบวชกระยาสัมภพดีกว่าพอไปแล้วมาที่นี่ไม่ให้ซูบบุรีไม่ให้เที่ยวมาเพราะที่นี่ชั้นเวลาเดียวชั้นในบาทเช้าพ่าตื่นตีสอง นั่งสมาธิวันละสี่ชั่วโมงเช้าสองเย็นสองเอาไปเอามาหลายวันเข้าซึมซาบอาบรถพดูดในฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นบ่อยๆเข้าเติมความสุขความเพลิดเพลินในธรรมมองโลกในทักษะณะใหม่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยนี้น่าจะมีคุณค่าแก่สังคมคนคว้าศึกษาตำรับตาราฟังคูบาอาจารย์เทศเพื่เอาไปเอามาเพลินไปนเลยไม่อยากศึกพ่อแม่ก็ดีอกดีใจอย่างนี้เรียกว่าอุปจีริกาบวชสนุก ตามเพื่อนบวชไปบวชมาตายเป็นดีก็มีบางทีเพื่อนพาไม่ดีอย่างว่าไปบวชในวัดว่าอารามที่ไม่มีระเบียบวินัยครูบาอาจารย์ไม่ได้เรื่องมันก็เลยเละตุ่มเปะไปตามๆกันต่อมาอุปมวยหากาบวชมาลุ่มหลงนอนกอดสาปธนาไม่เคยเจริญสินธรรมทิปัญญามักค้นอะไรต่างๆคิดว่าเป็นเรื่องสุดลิสัยไกลสุดขอบฟ้าขอให้เราได้บวชข่มผ่านเรื่องเลืง้งโกนหัวหอมจีวอนนอนในวัดสบายๆคนได้กา้าวได้ไหวอ ย, ยากได้อิงอย่งกระแพ เขาว่าเราเป็นพระเขาก็ให้เออดีนะอย่างนี้จะเรียกว่าอุปมุยหากาบวดมาลุม่มหลงตายเปล่ากินข้าวหมดเป็นายกาเซอบวชมายี่สบสามสิบปีขี้เด็มฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยทําคุณงามความดีทําเจริญสมาธิภาวนาอะไรแ <c oughs> สวงหาซื้อเหล็กซื้อหวยกันไปตามเรื่องตามราวกันไปอย่างนี้เรียกว่าอุปมุยหากานางนาข้าวกล า, ายมาเป็นอุปธูสกาบวดมาปา่าทุดสารายสาบสนนะ การทาไม่ดีไม่งามหนักหนักเข้าชาวบ้านไม่มีความเคารพเลื่อมใสเรามองเห็นการกระทําเขาเบื่อนอยายศาาสนาอื่นเขากัดโจมตีคนอื่นเขากัดโจมตีใ่ที่สุก็เลยปล่อยให้ศาสนาเสื่อมเสียไปด้วยเขาก็เลยเมาไปหมดาโอ้พรมก็มีเท่านี้ดูสิท่านนี่ยังเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้ มาตัวเดียวเน่าขับของคนไม่ดีคนท้องทามคนตีคนเขาก็เลยหมดไปเลยเรียกว่าอุปธูสกาบวชมาปัทุสลายศาสนาในประเทศอินเดียเมือ่พอพ่อโซพันกว่ากว่าสังฆราชานเข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนามาบวชอุปธูสกาบวชมาปัทุสลายศาสนาศึกษาพระธรรมวินัยของผู้ศาสนาแล้วก็เอาคําสอนของศาสนาพรามยัดใส่ให้แล้วก็เลยมาสอนอย่างเสียเคาะสศดาะนามรสน้ำมนต์พ่นน้ํามันต์ตะกามอมเซกะบาลอะไรต่างๆทั้งนี่ คำตึงแรงของคขังจะกกุดทนประหลัดคิกเหมือนส่วนนั่นแหละอุปทูสากาได้หรือหนักไปกว่านั้นก็บวชมาแสวงหาอํานาจทางการบ้านการเมืองปลุกระดมมวลชนสร้างรูปแบบใหม่มาแข่งจนข้างตอกลิ่มส่วนไหนที่มันไม่ดีไม่งามของสังคมก็เอามาตีมาตอพิมพหนังสือด่าว่าเทนี้พังไปหมดเลยทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งศาสนาอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปธูสกาเหมือนกันบวชมาปทิสลายศาสนาเทนี้อุป ปะนิสรณิการ u p a n i ร r e n บวชมาเพื่อออกจากทุกอยังคําขอบวชของมหานิกายโบราณพระสงฆ์ไทยโบราณที่เราเรียกว่ามหานิกายคําขอบวชท่านทราบซึ่งมากนักมี่คากล่าวว่าสัพพทุกขะนิสรณนิพพานชัคิกัลยนทธายะเอตังกาสะวังกเหตวาปภาเชตมังพันเตยนุ ก, กัมปังอุปทยยะคํำนี้ สัพพทุกันิสรณะเพื่อจะออกจากกองทุกนิพพานชฉิกะระณัติายธรรมนิพพานให้แจ้งเอตังกาสะวังกะเหตะวาปภาเชตมังพันเตนุกัมปังอุปาฏฐายขอท่านจงให้ผ้าแก่ข้าพเจ้าเพื่ออนุโคข้าพเจ้าข้าพ เ, เจ้าจะบวชเพื่อออกจากกองทุกเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งนี่เป็นคำขอบวชแบบโบราณมหานิกายโบราณอสมัยใหม่นี่ก็บวชเอสาหังพันเตอืม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 การบวชคืออะไรการบวชคือการออกไปจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านมาจากคาว่าปะวะชวปะชะปภชังเว้นทั่วออกไปแล้วปพชิตโตปภชิตทู่ออกไปแล้วผู้เว้นการกระทาแบบชาวบ้านการอยู่แบบชาวบ้านการกินแบบชาวบ้านการหนุ่งหมแบบชาวบ้านเลื่อนชาวบ้านช่องแบบชาวบ้านกินยาแบบชาวบ้านทุกอย่างในเว้นชาวบ้านนี่เรียกว่าบวชมูทําไมจึงบวชเพราะว่าชีวิตนี่ มันเหมือนลอยคออยู่ในทะเลมันมีความทุกข์บีบคั้นแผดเขาแล้วก็เลยไม่ไม่ควรประมาา ก, ก็เลยลองมาสู่วิถีชีวิตแบบนี้เพื่อจะได้ออกไปจากทุกเดีย๋ยนี่เรายังไม่เข้าใจบางทีอาจจะเข้าใจในตอนบวชแล้วไปพบครูบาอาจารย์ที่ดีที่งามเข้าก็จะได้เริ่มมองเห็นเรือนลางเรือนลางเรือนลางนี่เป็นอย่างเนี้แต่บวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรก็ดังกล่าวเมื่อกี้นี้ มันมีนัก บ, บวชที่ไม่เข้าใจก็เลยมีบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตอุปชีวิกาบวชสมัครเล่นอืมอุปชีวิกาบวนลุ่มหลงอุปมยหากาบวชประทุสไายทําลายศาสนาโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้หรเรียกว่าอุปธูากาสก์กาแล้วสุดท้ายอุปนิสสารนาอุปนิสสลริกาบวชเพื่อออกจากกองทุกไม่ใช่ทุกเพราะไม่มีเงินไม่มีทอง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 เอาไว้ง่ายบวชเธอจะวาดตามพระ ธ, ธรรมวินัยมันก็นมีอยู่หลายวิธีสมัยพุทธเจ้าวบวชกับพระพุทธเจ้าเอฮีพิคุประสัมปทาพุทธเจ้าท่านบอกมาบวชมาสัสมัยนี้หมดแล้วนอกจากโพกี่รักบวชกันเองเป็นเอฮีพิคุอันนี้ก็ว่ากันไปอุตรีทํากันไปเองต่อมาก็ติสารมนูติสาโนูปสัมปทาเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นการบวชในสมัยนู้นต่อมาเมื่อสงฆ์มากขึ้นพุทธเจ้ามอบอํานาจให้แก่สงฆ์ ครุกาสังฆสอานาอำนาจทรงเป็นใหญ่ก็เลยให้บวชกันเป็นมูมูเขาเรียกว่ายติเจตุทะกรรมอุปสมบทาส่าสวนยติเขามีอนุสาวรนาจารกรรมวาจาจารย์มีอุปชาจารย์ขึ้นมาอย่างพวกวันนี้อันนั้นเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมที่นําเข้าโสโมโวแต่อีกส่วนหนึ่งนี่มันเนื้อพิธีเนื้อพิธีคืออะไรถ้าบวชเพื่อจะออกจากคุกจริงๆ มันก็มีอยู่สองสองวิธีคือบวชกายห น, นึ่งบวชใจอันหนึ่ช่วยฟันให้ดีบวชทางใจไม่ต้องออกแก้บ้านจากช่องอยู่ในบ้านในช่องแต่ประพฤติทำทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำจิตใจให้สะอาดสว่างส ง, งบทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความโลภความโกรธความลง พยายามฝึกจิตให้มีสมาธิ ท, าทุกเช้าทุกเย็นทุกวี่ทุกวันมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อจิตสงบพอได้ที่ก็พยายามสังเกตจอบซ้อมบืงจิตใจเจ้าของเวลาใดมันคิดย่างไงมันโกรธย่างไงมันเกลียดอย่างไงมันรักอย่างไงมันพอใจไม่พอใจยังไงก็รู้มันอ่านมันให้เก่งๆเว้นอ่านหนังสือเก่งๆสุดท้ายก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิด นั่นมันมีเวทนามีความพอใจไม่พอใจเห็นเบื้องหลังของของเวทนาอีกทีหนึง่งเห็นจิตใจที่มันปรุงแต่งเป็นเพียงธรรมชาติที่มันคิดไปมีสติแก่กล้าจนไม่เป็นเจ้าของอารมณ์ใดๆให้มันคิดไปให้มันเห็นไปให้มันได้ยินไปได้กินไปก็า่านไปผ่านไปนัง่งดูนอนดูเดินดูทํางานดูจิต ด, ดูใจตนเองอ่านหนังสือ ใจให้มันเก่งๆอ่านใจให้มันเก่งๆจนไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์อย่างนี้จิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงมีอะไรมาให้รักก็รักยากมีอะไรมาให้กลัวก็กลัวยากมีอะไรมาให้เกลียดก็เกลียดยากมีอะไรมาให้กลัวก็กลัวยากมีความรักน้อยก็น้อยเกลียดน้อยกลัวน้อยลงน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นถึงจะอยู่ในบ้านจิตใจมันก็บวชก็บวช อย่างนี้เรียกว่าบวชใจในสมัยพุทธกาลเป็นพระโซโดาบันสกิทาคาอนาคาอยู่บนบ้านเยอะแยอะอนาถบินทิกะเศรษฐีนางวิสาคาพระจ้าพิมพิสานพระเจ้าสุโธธนคติการะช่างหม้อเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระอริยะอยู่ในบ้านทา้งนั้นนอนกอดลูกกอดเมียกอดทั่วเป็นโซดาบันพระเทวทัตบวชมาเป็นสิบสิบปี มาทำลายสงให้แตกกันขอวัตถุห้าประการไม่ให้กินเนื้อกินปลากินเจจนตายพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เลยตอกลิ้มประกาศว่าพระพุทธเจ้าไม่เข่งใครอยากจะถูกจะต้องให้มาอยู่กับข้าพเจา้าทําให้สงเนี่ยแตกกันตั้งห้าร้อยหลงไปกับเทวทัตคล้ายๆกับที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันพวกกินจงกินเจสันเตอร์โซกุว์ทุกวันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเทวท่านนั่นเกงมีทั้งฤทธิ์ทั้งเดชมีทั้งสติปัญญาแต่ไม่สามารถชำระกิเลสเป็นโสดาบันได้ ในที่สุดก็ตายเป่าเล่ า, ารากเลือดอาเจียนเสียใจเพราะทิฏฐิมานะมากเอาศีรลูกหากลับใจไปนับถือพุทธเจ้าตนเองก็รากเลือดอุ่นหั่นโลหิตังมุขคตโตเลือดอุ่นอุ่นทะลักออกที่ปากตายไม่ใช่แผ่นดินสูบตายนะในอธิกระทาบอกว่าแผ่นดินสู่ความจริงในวันแรบิีดโบรอกว่าเสียใจมากรากเลือดอาเจียนกระอักเลือดเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นมากให้ระวังให้ดีเพราะนั้น คนที่อยู่บ้านไม่ได้บวชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีสติไม่มีบัญญามากดอกอืมเท่ากับเทวทัตแต่สามารถเป็นพระโสดาบันได้เป็นสกิทาคามีได้มีผัวมีเมีอยอย่างนายคติการะช่างหมอนะ้อเป็นอาณาคามีอนาค า, า, า, า, ามีเลยปั้นหมอ้อขายเลี้ยงแม่ตาบอดจะบวชก็ไม่บวชแม่ของฉันตาบอดก็อาศัยเสียดายไปไม่ได้อาศัยเลี้ยงแม่แม่จะอยู่กับใคร ตัวเองเป็นทั้งขนาดว่าอเนคามีย์นะชวยีนอลหันแลนุ่นนี่นั่นเรียกว่าบวชใจบวชใจส่วนบวชกายไม่ยากหรอกมีผ้ามีบาตมีอะไรพ่อแม่พาไปหาโอปชาท่านก็บวชให้วันเดียวก็เป็นพระแล้วแต่จิตใจยังไม่บวชบวชกายนั่นยังไม่บวชใจก็มีบวชใจยังไม่บวชกายก็มีถ้ายจะให้รีบบวชทั้งกายบวชทั้งใจ เอาละที่นี่เราจะเอาอยัางไงในเมื่อวาบในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมอยั่วย่อมเอลเมาจิตใจสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนเป็นพิษเป็ น, ปนภัยแก่จิตใจก็เลือกเอาเถอดท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะบวชสักสามเดือนก็จงประหยัดบวชอย่างประหยัดไม่ต้องคบมงันไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาจ้างนังจางละครมาเสบมางันมาแห่แหนเตนแตะเธอะถ้าเป็นข้าราช ก, การก็เขียน จดไม้เขียนหนังสือลาเมื่อได้รับอนุมัติถ้าจะเอาเงินไปจ้างหนังจ้างหมอลำเอาไปทำบุญสุนทราทานเอาไปช่วยสาธารณะกุศลจะไม่ดีกว่าเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลที่บวชได้ทั้งบุญทั้งกุศล ท, ท, ท, ที่เราจะต้องทำบุญเสียเงินอย่างอื่ไปซื้อเราซื้อยาซื้องูซื้อควายมาฆ่ามันไม่มีประโยชน์